ขอโอกาสพระเดชพระคุณพระราชปรยิยมและพระเถ ร, ระทุนเถระ ท, รทุกขปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในคืนนี้เราได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อทำให้ คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นสรีมงคลเอามือลงในหยดที่ว่าเป็นสรีมงคลก็เป็นไปตามบทที่เราจะสวดได้กันสุคโนสุมมหุโตสุ ป, ปะพาตังจากสุยิตถังต้นซึ่ง หมายถึงเรามาทำให้วันวันนี้หรือคืนนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราทำดีร่วมกันวันเวลาเป็นเครื่องบัญญัติเป็นเครื่องสมบติว่ามีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่จะศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล เมื่อเรามาอธิษฐานจิตทำให้ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นมงคลคือถ้าทำความดีร่วมกันทำดีพร้อมกันไม่ว่าเวลาใดเวลานั้นเป็นสิริมงคลถ้าเราทำไม่ดีไม่ว่าเวลาใดเวลานั้นก็ไม่เป็นสิริมงคลตามบทสวดที่เราจะสวดกัน ต่อไปนี้ฉะนั้นวันเวลาตอนนี้ขณะ น, นี้เราทำให้เป็นสริมงคลเพราะการอธิษฐานจิตด้วยการสวดมนต์ของพระเทรานุเทระของสัมมนเนนและของญาติโยงทั้งหลายก้อนดินก้อนหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเอามาทำเป็นพระเครื่องและได้การอธิษฐานจิตของครูบาอาจารย์เช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตวันละขันก้อนดินก้อนนั้นกลายเป็นพระสมเด็จที่มีราคาเพราะการกระทำของผู้ที่เป็นสิริมงคล การอธิษฐานจิตของท่านและบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองบทสวดมนต์ที่เราจะสวดข้ามปีนั้นโบราณอาจารย์ท่านคัดสรรคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าเราจะหยิบอะไรมาสวดก็ได้โบราณอาจารย์ท่านหยิบ คัดเลือกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งมีเป็นภาษาบาลีมีทั้งหมด45เล่มถ้าเราจะนำมาสวดกันแต่ละบทแต่ละสูตรเดือนหนึ่งอาจจะไม่จบเพราะฉะนั้นท่านก็คัดสรรบทที่สำคัญเอามาสวด และมีพลานุภาพเพราะว่าในอดีตพระพุทธเจ้าก็เคยสวดบทเหล่านี้และเกิดพลานุภาพมาแล้วท่านรวมเรียกบทส่วนนั้นว่าพระพระปริปริตตโยมคงจำได้เวลานิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านหรือสวดที่วัดงานมงคล งานวันเกิดงานขึ้นบันใหม่จะมีศาสนาพิธีกรอาราธนาศีลพระองค์ประธานส่งให้ศีลเสร็จ<ม>ก็จะอาราธนาพระปริศให้พระสวดมนต์สวดมนต์ในงานมงคลนั้นการอาราอาราธนาพระปริษ<ม> แปลว่าอะไรที่จริงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเชิญหรือนิมนต์ให้สวดให้สวดมนต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่สวดมนต์ปกติบทมนต์ที่สวดท่านคัดสรรมาเรียกว่าพระปริษมีความศักดิ์สิทธ ปริตตดังที่ทายกหรือหัวหน้ า, าศาสนาพิธีกรว่าปริตตังพรูถมันขลังขออแปลว่าขออาราธนาพระคุณเจ้าโปรสวดหรสาทยายพระปริตสาทยายคือสวดพร้อมกันสาทยายพระปริตอันเป็นมงคล ปริสปริตตาแปลว่าคุ้มครองป้องกันคุ้มครองป้องกันคือบทสวดมีที่เลือกสรรมามีพลานุภาพเป็นกรอบป้องกันภัยันตรายแต่ไม่ได้หมายแค่พลานุภาพนั้นคุ้มครองป้องกันอย่างเดียว เวลาเราสวดมนต์มีวัตถุประสงค์ห้าประการทั้งในเชิงคุ้มครองป้องกันทั้งในเชิงอำนวยพรดูจากคำอาราธนาพระปริสนั่นแหละโยมอาจจะนึกไม่ออกแต่เขาจะเริ่มด้วยคำว่า วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาเป็นต้นพอเริ่มวิปติปติโยงก็นึวกว่าเดี๋ยวพระสวดหมดแล้วเตรียมปนมือฟังนะแต่จริงๆในคำอาราธนาพระปริสนั้นที่เริ่มด้วยคำว่าวิปติปฏิภาหายะเนี่ยหมายถึงขออาราธนาพระขุณเจ้า หรือท่านผู้เจริญทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็คือพวกเราทั้งหมดทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมสาธุชนโปรสาทยายบทสวดมนต์พระปริษเพื่ออะไรวิปติปิภาหายะข้อหนึ่งเพื่อกำจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งปวง วิปติเนี่ยก็คือวิบัติปฏิภาหายะคือกำจัดป้องกันปัดเป่าวันนี้เรามาอธิษฐานจิตอะไรที่ร้ายที่ไม่ดีที่ไม่ส่งเสริมชีวิตเราเป็นอุปสรรคเป็นมนันขอให้บทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ น, นี้กำจัดปัดเป่าให้ปราศนาการไปเหมือนเมฆ ถูกลมพัดให้พ้นจากพระจันทร์พระจันทร์ก็จะได้ส่องแสงนวลสกาวบนท้องฟ้าอย่างวันนี้นี่ข้อที่หนึ่งกำจัดเมฆหมอกอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่พึงประสงค์นี่คืออานิสงส์หรือประโยชน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง สัพพสัมปติสิทธิยาอันนี้เป็นเชิบงบวกสัมปติก็คือสมบัติสิทธิก็คือความสำเร็จเราสวดมนต์ข้ามปีนอกจากข้อที่หนึ่งเพื่อกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไปดีงามทั้งปวงแล้วยังเป็นการเพิ่มพลานุภาพ ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการสัพพะกัวัตถุประการสัพพะสัมปติสิทธิยาให้ได้สิ่งที่พึงปรารถนาเป็นสมบัติเป็นสิ่งที่ดีงามทุกอย่างทุกประการนี่ช้องข้อที่สองลข้อที่สสัพพทุกขะวินาศายะ เพื่อกำจัดทุกข์ทั้งปวงทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจอย่าให้มาแพร่ผ่านเวลาเราสวดเราก็ทิสฐานนี่ข้อที่สข้อที่สสัพพพยะวินาสายะให้ พยันตรายที่จะมาเบียดเบียนบีทางจงปราศนาการคือหายไปภัยอะไรที่จะมาเบียดเบียนเรานี่ให้มันแพสภัยตัวเองคือมียยนเป็นไปใครจะมาว่าร้ายใครจะมาทำร้ายหรืออุบัติเหตุอุบัติภยัยไม่สามารถมากล้ำกลายเราได้ ด้วยเดชานุภาพแห่งพระปริ์ที่เราจะสวดกันนี้และข้อที่หสัพพโรคะวินาสายะขอให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งของเรา ท, ทั้งของคนที่เรารักจงหายไปปราศนาการคือพ้นไปอย่ามากล้ำกลายด้วย ฉะนั้นในการสวดมนต์ข้ามปีเราอธิษฐานจิตว่าปีใหม่ตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยนะอะไรที่ไม่ดีที่เคยมีมาและจะมีมาอย่าได้มาแพ่วผ่านวิบัติทั้งหลายจงหายไปสมบัติที่ปราถนาจงสำเร็จ ตามที่จิตอธิษฐานทุกโศทุกภัยโรคอย่าได้มาคลั่ลาไคลถ้าเราสาธยายพร้อมกันและบทที่เลือกมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จเอเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยวิบัติทั้งหลาย เช่นบทว่ายันทุนนิมิตตังอวมังคลันใจโ ย, ยจามนาโปนแม้แต่ฝันร้ายนะแม้แต่เคาะร้ายใดๆก็อย่ามากล้ำกลายเรานี่เป็นต้นนะทุกบทเนี่ยจะมีความหมายหมดมงคลมงคลสูตรว่าด้วยมงคล38ปประการเราอัญเชิญม า, าต้อนรับปีใหม่ในชีวิตเรา นี่ฝ่ายบวกโรคภัยไข้เจ็บยกตัวอย่างอีกพ่อชงบทพ่อชงนี่กำจัดโรคร้ายทั้งหลายพยันตรายอุปสรรคใดๆให้มีชัยชนะด้วยบทพาวุ่รวมถึง บทวรัตนสูตรที่พระท่านทำน้ำมนต์กำจัดพูดผีปีศาจเพราะร้ายทั้งหลายให้ห่างจากชีวิตเราทุกโศกโรคภัยโรคภัยอย่าได้มาตั้ากลายนั่นก็คือการขอพรพระจากพระพุทธมนต์ที่เราอธิษฐานจิตเริ่มปีใหม่ด้วยกัน แต่ความสำเร็จสรรพสัมปัติสิทธิยาเนี่ยความสำเร็จไม่ได้อาศัยแต่เพียงพลานุภาพของบทมนเท่านั้นพระคุม้มครองผู้ประพฤติดีประพฤติชอบพระไม่เข้าข้างคนผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานให้เรานี่ เป็นคนที่มั่นคงอยู่ในทางแห่งความดีอย่าให้มารมาดนใจเราให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความดีขอให้เราเข้มแข็งการที่จะเข้มแข็งอยู่ในทางแห่งความดีไม่ได้อยู่ที่บทมนอย่างเดียว อยู่ที่การอธิษฐานจิตตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะฉะนั้นในวันอันเป็นมงคลเช่นนี้ต้องอธิษฐานให้จิตของเราเข้มแข็งมั่นคงอยู่ในทางแห่งธรรมะไม่ว่าอะไรจะมาดึงให้ออกนอกทาง ทางแห่งทานทางแห่งศีลทางแห่งภาวนาเราจะไม่ยอมไปเราจะยึดอยู่ในการเป็นผู้ให้ผู้บริจาคยึดในทางแห่งการไม่เบียดเบียนและด้วยการรักษาศีลยึดในทางแห่งความรักแห่งความเสียสละแห่งปัญญา นี่คือภาวนาขอให้เรามีความรักกันและกันคือเมตตาที่โกรธที่เกลียดจงอภัยกันหลานใจใบทมนเหล่านี้คือน้ำทิพชลมใจชำระกรรมรสสันดานของเราสวดมนต์นี่คือภาวนา ภาวนาไปด้วยเนี่ยมันจะชำระจิตใจของเราไปจากทางแห่งความเสือ่อมคืออบายามุขตั้งจิตของเราอยู่ในทางแห่งความดีมุ่งไปบอกตัวเองเรียกว่าอธิษฐานฉะนั้นการที่เรามาเริ่มปีใหม่ที่วัดเนี่ย มันคือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามเมื่ออธิษฐานแล้วเท่ากับสาเร็จไปครึ่งทางการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งดีกว่าคนที่ไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยแลสะสเปดสับปะไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะเป็นอย่างไร ลอยไปลอยมาตามสถานการณ์เหมือนจอกแหน่ที่ลอยไปตามกระแสน้ำน้ำขึ้นก็ลอยไปทางนี้น้ำลงก็ไปทางนี้เลยไม่ไปไหนมาไหนแต่ถ้าเราอธิษฐานชีวิตของเราเหมือนเรือที่มีหารเสือมันมุ่งไปสู่เป้าหมาย ฉะนั้นถึงวันปีใหม่เนี่ยคนทั่วโลกเขาจะอธิษฐานกันฝรั่งเขาเรียก resolution คนไทยเรียกว่าอธิษฐานใจรับปีใหม่และก็ไปอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์ที่เราคนพบซึ่งอยู่ในช่องกระจกั้งหมเนี่ยขอ เหมือนผู้นิจ้ามาประทับตรงนี้เป็นอาทีรของผู้นิจจ้าเราอธิษฐานขอพระพระดนใจให้เราเข้มแข็งเปลี่ยนเป็นคนละคนอะไรก็ไม่สามารถจะมาไม่สามารถจะมาดนใจมีชัยชนะเหนือเราเพราะมีพระคุ้มครองตรงนี้ จะทำให้เราก้าวหน้าเข้าสู่ชีวิตใหม่อย่างมั่นคงและมีปริตะเครื่องคุ้มครองป้องกันจากมารทั้งปวงเริ่มต้นชีวิตด้วยการตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานนั้นมีสองอย่าง อธิษฐานเพื่อเลิกละสิ่งไม่ดีที่มันคอยตามรบกวนชีวิตของเราในรอบปีที่ผ่านมาทำให้ชีวิตของเรานั้นขาดทุนดูงบดุลชีวิตเราปลายปีวันนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้เราขาดทุนเราอยาไปทำมนันอีก อะไรในรอบปีที่ทำให้เราได้กําไรชีวิตเป็นสิ่งที่งดงามเราจะทำต่อและทำเพิ่มตรวจบัญชีชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจึงเรียกเดือนใหม่ของปีใหม่ว่า January เพราะเป็นเดือนแห่งการเหลียวหลังแหล่หน้า เดือน j จนนิ r รี่ที่เรามาแปลว่ามกราคมเนี่ยฝรั่งเขาหมายถึงเดือนของเท พ, พเจ้าที่ชื่อเจนัสเป็นเท พ, พเจ้าในยุคกรีกนตดกรีกโรมันเนี่ยเขานับถือเจนัสและเอามาตั้งเป็นชื่อเดือนว่า j จนนิ r รี่คือมกราคม เจนัสเป็นเทพเฝ้าประตูสวรรค์ใครจะขึ้นสวรรค์ต้องผ่านประตูนี้ใครตกจากสวรรค์ก็ผ่านประตูนี้เพราะฉะนั้นเจนัสก็มีหน้าที่คัดกรองใครจะขึ้นสวรรค์ก็ดูก่อนใครจะลงจากสวรรค์ก็ดูก่อนเหลียวไปเหลียวมาจนเมื่อยคอ องค์เทพผู้ยิ่งใหญ่กรีกเขาเรียกว่าซุสโรมันเรียกจูปิเตอร์ก็เลยเหมือนพระอินทร์บ้านเราเนี่ยก็เลยบันดาลให้เจนนสไม่ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังตอนเฝ้าประตู คือมองคนที่ขึ้นสวรรค์ก็มีใบหน้าใบหน้านึ่มองคนที่ลงจากสวรรค์ก็มีใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งสรุปแล้วมีหน้าสองด้านข้างเราที่เป็นไททรอยเนี่ยเจนัสมีอีกหน้าหนึ่งถ้าเราดูรูปภาพของเจนัสจะเป็นเทพเจ้ามีใบหน้าเนี่ยคือหน้าเนี่ย สองหน้าชนกันอยู่ตรงสีสันและถือกุญแจปริศนารมนี้หมายถึงอะไรดูปีเก่าหนึ่งหน้าดูปีใหม่อีกหนึ่งหน้าเหลียวหลังดูชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตคุ้มค่าไหม และถ้าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปในปีหน้ามองไปข้างหน้าด้วยใบหน้าเหมือนกับมองขึ้นสวรรค์ตรวจสอบตรวจสอบตัวเองอย่างนี้อะไรที่ไม่ดีก็เลิกละเสียไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคือการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นจิตใจลองดูสิเราจะเลิกละอะไรซึ่งมันมีผลทำให้ชีวิตเราแย่เราตกต่ำหรือเป็นทุกข์หรือครอบครัวมีปัญหาจะไม่พูดจะไม่ทำสิ่งนั้นแล้วมองไปข้างหน้าว่าถ้าจะให้ ชีวิตครอบครัวการงานมันดีกว่านี้เราจะทำอะไรบ้างและตั้งจิตอธิษฐานอะไรที่ไม่ดีเลิกละกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีและอธิษฐานเราจะทำความดีอะไรเพื่อตอนเอง เพื่อคนอื่นเพื่อคนที่เรารักเพื่อสังคมอย่าไปเลือกหลายอย่างสิ่งที่ไม่ดีเลือกเฉพาะที่มันเป็นจุดอ่อนมันมีสิ่งที่มันเป็นตัวการสําคัญ เ, เช่นปัญหาเรื่องสุขภาพมันไม่ดีเพราะอะไรมันมีพฤติกรรมที่เราควรจะเลือกอย่าไปเลือกหลายเรื่อง มิฉนั้นมันจะสับสนและเวลาอาธิษฐานก็อยอะมากเรื่องอีกเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องการจริงๆที่เด่นจริงๆและจะได้ไม่ลืมไม่ใช่ว่าพ้นปีใหม่ยังไม่ถึงสามวันเลยลืมแล้วมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านเนี่ยเลือกเรื่องเดียว ตอนเป็นโุมเมธดาบนประสบวิกฤตและใช้วิกฤตเป็นโอกาสในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรอดีตการนานมาแล้วพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยพร้อมภาษาวกหมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปในเมือง ก่อนจะเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีทางที่เป็นดินโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านก็อาสากันไปถมทางเดินให้เป็นถนนที่ราบเรียบด้วยจิตอาสาเหมือนจิตอาสาสมัยนี้ไปลอกรองลอกไร น, นั่นแหละเพราะรวมกลุ่มกันมาท่านดาบดเนี่ย ท่านลงมาจากภูเขาที่ป่าหิมะผ่านปีหนึ่งท่านจะแวะเวียนมาสักครั้งหนึ่งมาเยี่ยมประชาชนมาเห็นชาวบ้านกำลังทำถนนก็ถามว่าทำทำไมชาวบ้านก็ตอบว่าเพื่อสร้างทาง ถวายพระพุทธเจ้าพระนาวัีปังกอรท่านกำลังจะเข้ามาในเมืองทำถนนต้อนรับพระพุทธเจ้าและประสงค์มูใหญ่แบ่งสัมปทานกันทำคนละสองวาสองวาสามวาอะไรแล้วแต่ช่วงกันนะใครจะรับตรงไหนไปขนดินมาถมคโครนเลนเนเพราะได้ฟังอย่างนี้ซูเมทดาบท มีศรัทธาอยากจะทำถนมบ้างด้วยตัวเองก็ขอที่สักสามสี่วาเนี่สองสามวานี่ยเพื่อถมแล้วท่านอายุมากแหละไปนขนดินนะมาทีละถังสองถังทีละเข่งอะไรก็ตามเอามาถมความที่ แรงน้อยนะก็ทำช้ากว่าคนอื่นคนจะช่วยท่านก็ไม่ยอมอยากจะได้บุญทำด้วยมือของตัวเองความที่ช้านี่แหละและใครจะช่วยก็ไม่ยอมนี่แหละมันจึงเสร็จไม่ทันเป็นวิกฤติพอเป็นวิกฤตคืออย่างไรคับขัน พระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เลยมาตั้งแต่ ต, ต, ต้นถนนนู่นแหละมองเห็นละ่ะคนก็กราบน้อมักการสวดมนต์กันอยู่ตรงนน้นท่านก็เสด็จมาเรื่อยๆทั้งนี้ก็ยังขนดินไม่เสร็จอ่ะวิกฤติบกพร่องทำไม่สำเร็จจุดอื่นสำเร็จหมดเลยถนนเรียบดีงาม มาไม่เสร็จเฉพาะหนึ่งวานี่สุดท้ายตรงที่โซเมธาดาบทรับผิดชอบท่านตัดสินใจเมื่อพรธเจ้าเสด็จใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไปขนก็ไม่ทันปล่อยให้พระเจ้าเดินเหยียบลงในโคลนตมก็เป็นความบกพร่องอย่างยิ่งใหญ่ชาวบ้านก็คงจะเล่นงานเนี่ย สุเมธดาบทตัดสินใจเอ็นกายลงไอ้ช่วงที่ถมไม่เสร็จเนี่ยเอาตัวเองเป็นสะพานนอนทับไปบนโครนตอมเอาหนังเสือปูบนแผ่นหลังตัวเองเอาตัวเองเป็นสะพานให้พรเจ้าสเสด็จข้ามเหยียบไปเลย เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกลายเป็นได้ทําบุญใหญ่กว่าคนอื่นน่คนอื่นแค่เอาก้อนกรวดก้อนหินมาทำถนนให้พรเจ้าเหยียบแต่โซเมธดาบดเอาตัวเองเป็นถนนเป็นสะพานให้พระธีปังกรพรเจ้าเดินเหยียบข้ามไป พระพุเทธเจ้าเนี่ยท่านรู้วาระจิตของบุคคลผู้นี้ว่าทำไมทำไมยอมขนาดนี้วิกฤตเป็นโอกาสทำไม่เสร็จเอาตัวเองเป็นสะพานขณะที่พระเจ้าจะย่างไปเนี่ยท่านอาธิษฐานโซเมธดาบทตั้งจิตอธิษฐาน ที่พูดถึงเหมือนอธิษฐานปีใหม่เนี่ยท่านสมัยทานาบทตั้งสัตยาธิษฐานสาธุขออาดุภาพแห่งบุญกุศลนี้จงหนุนนําให้ข้าพเจ้าสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนดังพระทีปังกรพุทธเจ้านี้เถิดพอพระพุทธเจ้าเดินเหยียบข้ามไปเนี่ยอธิษฐานเลย พอพระุทธเจ้าข้ามเศษพระพุทธเจ้าก็หยุดและก็ให้พรสั้นๆว่าเอวังโหตุจงสำเร็จตามที่ท่านอธิษฐานนั้นเธินี่คือจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตของโซเมทดาบทเมื่อได้ทำบุญใหญ่และมีผู้มีบา ร, รมียิ่งใหญ่พระเจ้า ประกาศว่าจงสำเร็จตามนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของโซเมธดาบทซึ่งเป็นดาบทธรรมดาให้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและตั้งแต่นั้นมาก็บาเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระสิท ธ, ธัตถะโคตมะของเราเ เราจะเห็นได้ว่าท่านเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนเราอย่ามองวิกฤตเป็นเหตุแห่งความทุกข์อย่างเดียวบางทีไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมะ เราทุกจากการพลัดพร่าทุกข์จากความผิดหวังนี่ใช่หรือเราจึงหันเข้าหาธรรมะก่อนนั้นเคยประมาทมัวเมาแต่เมื่อเห็นทุกข์จึงพบธรรมะนี่เป็นการเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจในรอบปีที่ผ่านมามันมากระทบเราทำให้เราคิดอยากจะกลับตัวในตอนนั้นนึกถึงธรรมะและเราก็ลืมลืมและเราจะลืมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ ตั้งสัตยาธิฐานเราจะลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีเช่นอะไรขอนึกถึงไว้แล้วเราจะทำความดีอะไรเพื่อความสุขความสาเร็จของตนของตัวเองของครอบครัวของหมู่คณะอธิฐานเหมือนพยาอินทรีนกอินทรีตัวใหญ่เนี่ยมันมี เซนแห่งความรับรู้ว่าพายุจะมาเมื่อไรมันปกติมันจะบินอยู่บนท้องฟ้าสูงทีเดียวมันรู้ว่าเมื่อพายุมาถ้าอยู่ใต้พายุมันจะเปียกมันจะลำบากเมฆฝนพายุตั้งเขามานี่มันมรอโอกาส ลมมันจะพัดมาปอดเพื่อมาพาเมีดฝนมาลมที่พัดมาเนี่ยมันจะพยุง พ, พยานยอินทรีย์ให้บินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหนือเมฆเหนือฝนถ้ามันจะบินเองมันก็เหนื่อยจะขึ้นสูงไปขนาดนั้นนี่มันเหนื่อยแต่มันอาศัยวิกฤตจากพายุนั่นแหละ รอโอกาสที่จะพยุงตัวเองให้บินสูงขึ้นคนเราเนี่ยถ้ารู้จักใช้วิกฤตใช้ปัญหาเป็นบทเรียนมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ใช่เป็นนกที่ โดนพายุซัดและตกลงมาเปียกมะลอ ก, มก์มะเล็กแต่กลับเป็นพยาอินทรีย์ที่ผงาดเหนือเมฆแม้จะล้มไปแล้วบานชีวิตก็เหมือนพยาอินทรีย์คือลุกขึ้นมาแล้วเข้มแข็งกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าคนญี่ปุ่น เรียนรู้เรื่องนี้จากธรรมชาติหน้านี้เป็นหน้าหนาวในญี่ปุ่นในเกาหลีหิมะมันตกขาวโปรนเลยคลุมต้นไม้คลุมถนนหนทางกว่าหิมะละลายใบไม้ผลิออกดอกสากุระบาน ก็ช่วงเดือนเมษาธรรมชาติมันสอนคนญี่ปุ่นเมื่อหิมะมันผมมากๆเขามองไปที่ต้นไผ่ต้นไผ่มันทามันยอมให้หิมะคลุมทั้งหมด แล้วมันก็นอนราบไปกับพื้นพื้นดิบหิมะคลุมอยู่สามเดือนมันไม่แข็งไม่ฝืนเพราะถ้ามันแข็งมันฝืนหิมะมันจะทับผมจนหักต้นไผ่มันยอมงอแต่ไม่ยอมหักมันเองนราบกับพื้น นอนอยู่ใต้หิมะสามเดือนเมื่อหิมะละลายมันค่อยยืนขึ้นดังเดิมแต่ประหลาดที่ว่ามันสูงกว่าเก่ามันยืนตระหง่านสูงกว่าเดิมก่อนที่มันจะอยู่ใต้หิมะเพราะตอนที่มันอยู่ใต้หิมะมันได้รับน้ำรับปุ๋ยมันงอกอยู่ใต้นั้น มันไม่หยุดเจริญเติบโตเหมือนบางคนที่ดูเหมือนลม้มเหมือนเซแต่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดเอาบทเรียนนั้นมาสอนใจรอเวลาที่เหมาะสมเมื่อหิมะละลายเมื่อปัญหามันจางธุรกิจที่เคย ล้มที่เคยส่วนเสกับยืนผนาดยิ่งใหญ่กว่าเก่าสูงกว่าเก่าคนที่เป็นเช่นนี้คือคนที่มีการตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่ว่าล้มไปแล้วก็ไม่มีความหวังไม่รู้จะทำอะไรต่อ เพื่อใครก็นึกไม่ออกแต่คนที่เขามีความหวังเขาจะบอกว่าคนล้มอยากข้ามวันหนึ่งมันต้องยืนขึ้นมาให้ได้และสูงกว่าเก่าข้อสำคัญคือต้องมีเป้าหมายต้องตั้งจิตอธิษฐานทำไปไหนทิศทางใด เอาให้มันแน่นอนไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากไปมันก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเหมือนเล่นกีฬามันพวกอย่างเล่นอย่างนี้ไม่เก่งก็ไปเล่นอย่างนั้นเลยในที่สุดก็เลยไม่ได้สะสมประสบการณ์ไม่เก่งสักอย่างเดียวแต่เมื่อเรามีเป้าหมายมุ่งมัน ทำให้สำเร็จให้ได้แม้จะมีปัญหามีอุปสรรคก็ไม่ทอ้อถอยก็ไม่เปลี่ยนเส้นทางมันก็จะเป็นการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆใครที่เปลี่ยนบ่อยอธิษฐานปีที่แล้วอย่างหนึ่งทำให้สำเร็จปีนี้เปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอย่อยางนั้นเปลี่ยนเส้นทาง เหมือนกับสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งในพารนไปซื้อมาด้วยราคาแพงเจ้าของฝึกให้ล่าเนื้ออย่างดีในพารนได้มาก็ดีใจเอาไปทดลองวันแรกเลยให้มันไปล่ากวางมีรอย เท้าของกวางอยู่ในป่ามันถ่ายมูลไว้ให้สุนัขล่าเนื้อไปดมแล้วตามล่าไอ้กวาตัวเนี้ยสุนัขมันก็เก่งจริงๆจะูกมันไวมันดมปุ๊บปุ๊บุ๊ฟุดฟวิ่งแนบไปเลยตามทางที่กวางกินหญ้าไปนั่นแหละล่วงหน้าไปเป็นชั่วโมง วานไปก่อนแล้วสุนัข ก, ก็ไล่ตามนายพรานก็วิ่งตามสุนัขดีใจจมูกมันดีเหลือเกินเดี๋ยวได้กวางแน่คุ้มกับที่ไปซื้อสุนัขตัวนี้มานึกในใจนะพ ร, พรานนึกในใจวิ่งไปสักพักหนึ่งสุนัขหยุดโดบพุ่ฟิตฟิตเลี้ยวซ้าย ในพรานก็เลี้ยวตามไปนึกว่าควางมนเลี้ยวที่ไหนได้สุนักกล้าเนื้อมันตามกระต่ายไปน่ะมันตาม้อยกระต่ายกลิ้งกระต่ายไปแล้วตามกระต่ายไปพักมันเลี้ยวแล้วตามหมูป่าไปแล้ววิ่งไปหน่อยเอามาเลี้ยวตามไก่ไป่า สุดท้ายในพลานหอบแหแหๆนั่งมองสุนัขไปตะกุยอยู่ที่ปากรูหนูไปคุยหนูอยู่นั่นแหละมันลืมเป้าหมายแทนที่จะได้กวางกลับไปต้องไปจบที่รูหนูคนบางคนมันคล้ายๆอย่างนั้นน่วางเข็มทิศชีวิตไว้สูงส่ง แต่ในที่สุดก็ไปจบอยู่ที่สิ่งเล็กน้อยลืมเป้าหมายการตั้งจิตอธิษฐานด้วยการที่เรามาสวดมนต์ร่วมกันให้เรามีความเข้มแข็งสามารถกำจัดสิ่งที่เบญีงามไปจากชีวิตให้ได้ เพื่อความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาดังที่พระเจ้าตรัสว่าวายเมเถวะปุริโสยาวอัตถสานิปทานเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนา ถ้ายังไม่ได้สิ่งที่ปรารถนายังไม่หยุดความพยายามต้องพยายามรับไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานิพพันธโสพิโนอัตฐาเป้าหมายที่เราหวังนั้นงดงามเมื่อทำสำเร็จเราภูมิใจปีใหม่นี้ เราอาธิษฐานทำอะไรแล้วสำเร็จตามนั้นภาคภูมิใจชีวิตมีค่านิพพานโสพิโนอัตถาขันตจยาพีโยนวิชติตเป้าหมายเมื่อบรรลุถึงงดงามเมื่อทำสำเร็จเพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความอดทน ขันติกว่าจะถึงเป้าหมายมันมีปัญหามีอุปสรรคขวางกัน้นมีความยากมีความลำบากเราไม่ยอมแพ้เราไม่ทอถอยอธิษฐานจิตให้เรามีความอดทนทนลำบาก ทนตรากตรำทนเจ็บใจถ้าเราทำได้สามอย่างทนได้สามอย่างเราสำเร็จที่มันไม่สำเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอธิษฐานแล้วไปไม่ถึงดวงดาวหนึ่งเพราะเราไม่ทนลำบากสองเราไม่ทนตรากตรำ3าเราไม่ทนเจ็บใจ ทนลำบากคือทนทุกขเวทนาถ้าเราจะทำงานหรือจะดูแลสุขภาพ <Okay. S 1> การที่จะต้องไปออกกำลังสมมติดูแลสุขภาพมันลำบากหนาวเกินไปก็ไม่อยากจะตื่นอยากจะลุกตอนเช้า ร้อนเกินไปก็ไม่อยากทำอ้างโน่นอ้างนี่ไปสารพัดยาที่เขาให้รับประทานมันขมหมอให้ทานยาเพื่อสุขภาพหรือบำรุงมันขมทนลำบากในการทานยาชีดยาก็ไม่ได้ใจส่อ ทนตรากตรำตรากตรำนี่หมายถึงบางคน ท, น ท, น, ทนททนได้วันสองวันเขาให้ตื่นเช้าไปทํางานตรงเวลาไปใหม่ในอธิษฐานจิตทําได้สามวันกลับมนเดิมอีกแล้วเรื่องอะไรจะต้อง ทนอยู่อย่างเงี้ยรถติดอะไรต่างอ้างไปสารพัดตราตรำคือทาต่อเนื่องลำบากแล้วก็ยังทนเรียกว่ามุ่งมัน่นคนที่ทนตรากตรำเนี่ยจะทําซ้ำาๆๆกันได้คนบางคนทนลำบากได้ ไม่กี่วันแต่ทนตรากตำ่ำทำต่อเนื่องไม่ได้มันจึงไม่สำเร็จท่านบอกว่าวายเมเทวะให้พยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานคนเราไม่ใช่ว่าทำดีวันสองวันแล้วจะเห็นผลฝากเงินในธนาคารเขายังมีกำหนดว่า เดือนสองเดือนสามเดือนหรือหนึ่งปีถึงจะออกดอกออกผลบุญกุศลที่เราทำก็เหมือนฝากเงินเข้าธนาคารถ้าไม่ถึงกำหนดบุญยังไม่ให้ผลเราก็บอกว่าทำบุญไม่เห็นได้อะไรเลยหยุดทำนี่เพราะเราไม่ทนตากตลับเราเป็นกิ้งก่าที่วิ่งวิ่งหยุดหยุด ต่อไปนี้เราจะไม่เป็นกิ้งก่าแล้วเราจะทำจนสำเร็จทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจเจ็บใจที่คนไม่ชมแล้วหวังเราทำดีเนี่ยหวังจะให้คนชมเขาด่าเราหวังจะให้เจ้านายชม ไม่ไม่สนใจเราหวังจะให้เพื่อนให้คู่ครองให้แฟนให้อะไรต่างประทับใจแต่ไม่ได้อะไรเลยเรารู้สึกอย่างนั้นทนเจ็บปวดใจไม่ได้เราก็เลิกแต่ถ้าคนที่ทนตรงนี้ได้แม้จะมีเสียงนกเสียงกาแม้จะมีเสียงคัดค้านทำไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่ง เขาจะเห็นอีกนี่แหละคือคนที่ทำอะไรก็สำเร็จเราคงนึกเรื่องของคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือพ่อกับลูกชายจูงลาจะไปขายในตลาดจูงไปกันสักพักหนึ่งไปเจอคนสวนทางมา ถามว่าจะไปไหนจะเอาลาไปขายคนที่สวนมาก็บบกว่าเดินทำไมให้เมื่อยในไรลาก็จะขายแล้วใช้ประโยชน์มังสิขีมันพ่อพ่อก็เลยขึ้นขี่ลาลูกจูงไปไปสักพักหนึ่งคนก็มาว่าอีกผู้ใหญ่กินแรงเด็ก ใช้แรงงานเด็กตัวเองสบายขี่สบายให้เด็กจูงใช้ไม่ได้วันไหวลงจากลาให้ลูกขึ้นนั่งตัวเองจูงไปพอไปสภาพอีกคนหนึ่งสวนมาว่าเอาอีก <c oughs> เด็กอะไรอากตันอยู่กินแรงพ่อกินแรงผู้ใหญ่ คนว่ายแล้วทำไงดีเลยสองคนขึ้นไปขี่ด้วยกันขี่คู่กันไปอยู่บนหลังลาลาหลังแอ็นเลยสักพักไปเจอไอ้พวกพิทักษิธิของสัตว์นะยมันว่าเอาอีกเนะ่ะทรมานสัตวนะ์อ่ะไอ้ผู้ใหญ่กับเด็กคู่นี้นี่แทนที่จะให้สัตว์สบายๆมันใช้ร้ายมันโหดร้ายใช้ไม่ได้ ก็เลยลงมาเอา้าช่วยให้มันสบายก็เลยจับลาผูกขาติดกันเอาไม้สอดหา ม, มันไปเลยทีนี้หามไปตลาดเด้ไปข้ามสะพานคนก็ขำสิหนูไอ้คนบ้าสองคนนี่หามลาขยบขยเก็คมาหัวเลาะเฮาลามันตื่นมันก็ดินด้นดิน้นก็ขามันก็หลุดไปทีบเอาลูกคนลูกกระเด็นไป ไม้กระเด็นลามมันก็ตกลงไปในน้ำขามันยังคลายไม่หมดเลยจมน้ำตายขายไม่ได้เลยทีนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทนเจ็บใจทนเขาว่าไม่ได้ลืมเป้าหมายตัวเองเอ้าลาไปขายแต่แ๊ะทำลาจมน้ำตายเพราะฉะนั้นปีใหม่ตั้งต้นให้ดีอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนา ให้บุญกุศลนำส่งอะไรที่เป็นความไม่ดีในปีที่ผ่านมาลดเลิกละให้จิตของเราเข้มแข็งอย่ามีอะไรมาโดนใจให้เราออกนอกทางออกเป้าหมายที่เราต้องการบทมนทั้งหลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นปริตตาคุ้มครองป้องกันให้เราไปสู่เป้าหมายอันงดงามของชีวิต มีความเข้มแข็งทนลำบากทนตรากตรำและก็ทนเจ็บใจได้เราก็จะบรรลุถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตปีใหม่ก็จะดีกว่าปีเก่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุด สิ้นหวังตั้งมากหมายหวังไวเ้เถิดหวังยังยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเวลาที่สวดพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ให้บทมนต์นั้นคุ้มครองป้องกัน และส่งเสริมให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนาทุกประการในโอกาสนี้ก็ขอตั้งกระยาณจิตอธิษฐานอ้างคุนพระศีรัตนตรยัยบารมีธรรมของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธธรรมะวิเชตทศสดาหลวงพ่อพระพุทธนาคันศักดิ์สิทธ ในพระวิหารและพระบรมสารีริกธาตุบทพระเจดีย์และพระานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ที่จะสาธยายต่อไปนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงแค้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปโภคภัณฑทั้งปวงประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาบยศสุขสันเสริญทุกธิพาลาตรีการเจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันนะสุขาพลระปรฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จสมมโนรถมุ่งมาศปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่และตลอดไปทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุ สา